ใครฟังนะหลวงปู่เทศไม่ค่อยเก่งนะคือเทศไม่มีกระทู้ทาตั้งหรอกว่าพอหลวงปู่ปฏิบัติปู่ไม่ได้เปลี่ยนปริยตัติว่าเทศดไปทำป่าๆไปงั้นแนะ่ะเขา อ, อยู่ในป่านะฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังไปเถอะนั่นเป็นอ การปฏิบัติของเรานั้นี่ะจะใช้เรื่องการปฏิบัติของพวกเรานี่แหละให้ฟังจนะปฏิบัติตามที่หลวงปู่เคยปฏิบัติมาเนะี่ยเพราะปู่ก็เข้ามาปฏิบัติเมื่อแก่อายุหกสิบห้าปีจึงเข้ามาแต่พอเขามาก็ไม่อยู่เลยเล่งเนี่ยพรรษาแรกที่สุดเลยไม่นอนเลยยังคืนนั่งอย่างเดียวตลอดตุ่งเช้า นั่งตลอดรุงเช้าทุกวันสามเดือนไม่นอนแต่ทำไมอดได้มึงพ่อพาออดได้แหละ ย, ยิบนิบเดียวหน่รู้สึกขึ้นตัวขึ้นมาก็ไปนก็ตั้งใจปฏิบัติมาเรื่อยอย่างนั้นนะมันบางทีมันก็ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมาบ้างเดินโยกลมนะเกิดขึ้นมาก็นำปัญญาที่มันเกิดขึ้นมานะ ไปหาครูอาจารย์ท่านก็บอกว่ า, าพุโทโธนั่นแหละผมก็พุโทโธนะท่านก็มีจะพูดอย่างนั้นเนี <c> ่ย <oughs> เอาพุโทโธกับท่านนั่นแหละไปไปมาๆก็พุโทโธพุโทโธกลับไปกับมายังไม่ได้พรรษานะไปอยู่กับครูอาจารย์บวชไดเกืวันแปดวั น, วนขึ้นไปหาครูอาจารย์ไปเดินตรงๆเดินไปเดินมา ไหว้พระกลางคืนหรือตอนเช้าเนี่ยไหว้พระใหม้พระเช้าที่ไหนๆทาวัดเช้านะมีจีนพระพุทธเจ้าโผล่ออกจากไปใต้ไอ้กล้องไอ้พระพุทธรูปที่เราไหว้น่ะมาให้กลับจีนเนื้อเนื้อเราสวด ๆ, ๆทีนะยังไม่ได้ภรษาเนาะแต่จีนพระพุเจ้าโผล คผมขนาดนี้แล้ท่านยาวผูอมาให้กลับเออกลับก็บกลับอยู่นั่นไหวพัดเสร็จเดินไหวพัดเสร็จไหวพัดเสร็จก็หายไปแหละก็พิจารณาดูไปเรื่อยไปเรื่อยแต่พิจารณาไปได้เดินยกโยมก็พิจารณาไปเรื่อยพิจารณาไปพิจาราหลายวันต่อมาเป็นแปดเก้าวันสิบวันมามันก็เดินเดินไปนี่เด็ตัวมันจบทัน ปัญญามันจะออกนะเดินไปดูกท่อนเนี่ยรอยเท้าเจ้าเราจะตบจะมีดูกท่อนนี้บางอยู่จนตลอดกลับไปกลับมาสามเที่ยว้วนำอันนั้นมาพิจารณานั่นแนะปู่มันออกเลยนะยังไม่ได้พรรษานะอสุภะอสุ방เนี่ยเต็มีดูตัวเองเดี๋ยวก็ ต่อก็เดินเข้ามาให้นับดูนับกระดูกตัวเองเนละคือมันมีแต่ตรงนี้มันเป็นเนื้อหนังสมบูรณ์อยู่เหมันแบบไม่เป็นอะไรนะแต่ทอดหนีบลงมาเนี่เป็นกระดูกเป็นคอเป็นค อ, นอยืนให้นับไปจึงได้รู้โอ้กระดูกของเรามันมากขนาดนี้เหรอนั่นนั่น น, น, นับกระดูกได้ ก็เลยมาคิดว่าว่ามนุษยชาติของเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเกิดมามันกระดูกมันมีขนาดนี้พิจารณาดูให้หมดเลยแล้วก็เอาอันนั้นมาเป็นอารมณ์ได้ไปทางไหนก็คิดกแต่เรื่องกระดูกกระดูกมันมีหลายท่อนขนาดนี้เป็นมาได้หมเนี่ยเราอะไรไปคิดไปต่อกันมาเออนี้ยก็มีพิจารณากระดูกเป็นอารมณ์อยู่ นีนก็ดีนะเอากระดูกเป็นอารมณ์นั่นแนหะกว่าจะได้ถึงทำเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจก็กัดเอากระดูกนะั่นเป็นอารมณ์คือเอาอาัธยาศัญญาเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้ น, น, นอืมคือกระดูกพรขอมนุษยชาติของเราเราจะดูดีๆแล้วก็นับดูทุกข้อทุกมุมทุกแขนงที่มันเป็น กระดูกมาให้นับดูน่ะสามรอยท่อนนะทิมต่อกันอยู่จะเป็นตุนพิตัวเนี่ยกระดูกสามร้อยท่อ น, นับของตัวอย่างนับไปถึงจะตุลขอบนี้ก็<ค><ะ>มารวมถูกตัวนี้มันกับปุงหัวนี่มันก็จะมีอยู่เกดเสียงนับข้อจีนข้อมือข้อเอ ท, ท้านับได้สามร้อยท่อน ทุกข์นี่การภาษาผู้ภาวนาเนี่ยคือการพาว น, นาของเราจริงๆนะเราใช้ปัญญาบุญชอบใช้ปัญญามากเมื่อเรารู้ว่าไอ้จิตของเรามาอยู่ในขั้นไหนจิตในสมามขั้นขั้นอิกะขั้นอุปจาระขั้นอัปปมานาจิตของเราอยู่ขั้นไหนก่อนเมื่อเรารู้ว่าจิตของเรามันอยู่ในขั้นอัปปมานาแล้ว มันอมานามันเป็นมาอย่งไงมันไปยังไงแต่กูวาจาันท่านสอนไว้ว่าอัปปมานาเนี่ยมันจะไม่มีปัญญา mm hmm. ท่านก็เลยบอกว่าอย่างหลวงตา บ, บ่อชีหลวงปู่ได้ยถือนี่คือหลวบตามหาบวรนแหละเขาจะบอกหมูขึ้นเขียงไม่มีปัญญาอายุจะไปสวดส่องแก้ไขกิเลสของตัวเองได้อันนี้ ก็เลยไม่เอาละแต่จิตของน้องปู่วมันจิตอยู่อุปจระจิตรวดผลโดนทันพอสักหมกไปนิดหน่อยก็ถอนเป็นออกมาแล้วรวมพอมันรวมพอทีนี้เห็นหมดในโลกอันเนี้ยเขาชวนไปอินเดียก็ไม่ไปทุกวันนี้ยทําไมไม่ไปพ่อมันเห็นแล้วตั้งแต่อยู่ในนิมิตใครไปมาก็พูดเหมือนกับเราเห็นอยู่ในนิมิก็ไม่ชอบไปดีกว่ามันเป็น นั่งภาวนากลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามตนี้สะพานเงินทอดจากที่เราอยู่ไปถึงนเขาเปทกูดเมืงงองยินเดียปเป็นเป็นงานสะพานเงินสะพานทองเพิ้นหมดอยู่ในสวรรค์สไนโก็เห็นหมดก็เลยดู ปัญญามันก็ออกมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ที่นี่กัมาแก้ไขตัวเองไม่เคยมีนะ้าอาจารย์องคไ์ไหนก็ไม่ค่อยมีหรอกที่เดินงกรมอยู่ใจของเราดีออกรอยออกกังวเนี่ยไม่ค่อยมีแหละแม้แต่ ญ, ญาติโยมที่ได้ฟังครูบาอาจารย์หลายองค์มาเทศน์นี่ก็คงจะไม่พูดอย่างนี้เพราะท่านไม่เป็นคือมันคนละอย่างนะ มีการปฏิบัติไปคนได้อย่างคนละซอบคนได้แย่คนล้มุมแต่หากได้เห็นทำเหมือนกันหมดเนี่ยถ้าปฏิบัติเอาไว้ดีตัวพวกเราก็ดีพวกได้รวมก็ทำได้ผู้หญิงทําได้ผู้ชายทําดีเห็นหมดได้ด้วยกันหมดถ้าเห็นนะคนลุงปู่เป็นมาอย่างนั้นเห็นตั้งแต่ปัญหาอย่างน้อยอยังปัญหาที่สี่มันกรีดดีดออกไปเลยเลย พอดีดไปพอมกับเข้ามาหาตัวเองนะมันก็ทุนตัวนี้เป็นทองคําไปหมดนะเนี่ยเป็นทองคําเลยจริงเป็นทองคําหมดทุกวันนี้มันบางอย่างมันก็จะเป็นอยู่ไม่รู้อะ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นปูการเป็นเอาจริงจริงกลางๆด้วยไหมป่าอายุเกจีบกว่าปีนี่งดอาหารงดข้าวนะไม่ฉันข้าวห้าวันไม่สัน 6กวันไม่สัน่นสิบวันไม่สัน่นี่าห้าวั น, วนถึงวั น, นถึงส0บวันจะไม่หมดมากหรอกเพราะาอายุมันแก่ก <c oughs> ว่าจะมันจะหมดลมไปก่อนมันจะไม่เห็นอะไรก็เลยเอาแค่สิบวันสิบวันมาสั่นที่เป็นเวลาสองสามปีสี่ปีก็ถอดถอนเขาได้แหละไป าการเกิดทั้งหลายนั่นะ น, ะนี่พวกเราให้คิดดูด้วไอ้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นั่นนะที่ท่านบอกไว้ชาติไหนก็ศาสนาไหนก็ตามที่ท่านว่าไว้น่ะหากไม่มีหนทางแปดเส้นนี้อยู่กับอริยสัจสีอยู่นี่สมัยชาติศาสน า, า, า, านั้นจะไม่มีพระอรหันต หากศาติไหนส่วนไหนเมืองไหนยังนับถือศาสนาไดนับถือมรรคางหนทางที่องค์แปดนี้อยู่เ น, นกิดอริยสสีศาสนานั้นจะไม่พึงบ้างจากเท่าอรหันต์น่ศาสนาพุทธเหล่านี้ก็เหมือนกันจะไม่พึงบ้างก็จะมีอยู่องค์นั้น รมไปก็องค์นี้นก็เกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาองค์นั้นรำไปก็องค์นั้นก็เผยขมาเหมือนเดิมแต่ต่อไปมันจะเกิดมาง่ายขึ้นหน่อยง่ายกพราพอแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาพอปัญญาซอกไสไปนิดหน่อยมันก็อาจจะเป็นกอรหันได้เร็กวก็ได้นี่ไม่ว่ารับถอดถอนของเราก็ถอดถอนที่ใจกี่เด็ดมันก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละ อริยสัจสีก็อยู่ที่ใจาาสละทีตัวของเราเนี่ทุกคนทุกคนมีอริยาาสัจที่ตัวเกิดมพร้อมพอร้องแต่แว่ตกพบออกมาก็เลยมีอริยสัจสีมาแนี่ยพ้นปิตทุกมาแล้วตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่วันออกมาทีแรกยิ่งทุกข์มากสอนนี้ไปแล้วพวกเรามันจะแก่เพมก็ไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ไปเท่านั้นนั่นเอง เราก็ต้องหาสาเหตุมันก่อนทีเนี้ยสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์เพราะเหตุอะไรนั่นแหละที่สาเหตุที่ให้พวกเราเกิดทุกข์เนี่ยไม่ว่าญาติโยมนะไม่ว่าหลวงตาผู้เทศทนี้กุเหมือนกันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะเหตุใดเราจึงในทุกข์จะมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมแต่มื่เป็นทุกข์คนละอย่าง คนรวยก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งคนพอจะมีกินก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งคนจนก็ทุกข์อีกอย่างหนึ่งขอทานก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งทุกคนละแบบอันนี้เพราะงั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันจึงได้รับทุกข์ทุกข์เพราะชาติกําเนิดการเกิดของพวกเรานเองถ้าใครไม่อยากทุกข์บอกมาเลยเจ้าบอกเลย ไม่ต้องเกิดถ้าไม่ต้องเกิดแล้วไม่ต้องถามแล้วถึงทุกข์นั่นพระพุทธเจ้าจึงหาทางออกให้พวกเราไว้คือท่านหาทางออกแบบว่าไม่ต้องเกิดเนี่ยมันจึงไม่ได้ทุกข์ไม่ต้องถามหาทุกข์ท่านไปอยู่กับครูทั้งสองมาคนครูบาอาจารย์ไม่มีที่จะสอนไม่ ยังไม่ได้ถึงทางออกไม่ใช่ทางออกท่านก็เดินไปหาคุณจะไปปฏิบัติคนเดียวนั่นเองท่านจึงไปพบทางออก<ม>แล้วก็ได้ทำทางออกนะั่นแหละสอนให้พวกเราไว้แปบบเป็นบทเป็นข้ใจปิดกไว้ให้พวกเราไปปฏิบัติตามพยายามปฏิบัติตามใช่ ปฏิบัติตามก็เห็นแน่ๆใครตั้งใจปฏิบัตินะถ้าไม่ตั้งใจก็ยังว่าเนี่ยทํารุร่มๆ ร, รดอนก็ไม่เป็นไรกันปฏิบัติมันก็ต้องเข้มแข็งหน่อยมันก็ถอดถอนได้เหมือนกันที่ท่านมาถอนถอนกิเลสถอดถอนกิเลสเนะ่ยกิเลสมันก็อยู่ที่เรานี่ยนะออย่าไปถามเรื่งมันเถอะอวิชชานะจี๋ พ่อแม่ครูาอาจาเทพไปไม่สักครู่นี่ก็อวิชตอนอวิชชาอวิชาชาก็คือความโง่ของพวกเรานี่ยเองเลย <t itt ern> ตัวสฏิบัติเราแปลให้มันตรงๆแล้วคือความโง่ความที่ไม่รู้อยากจะปฏิบัติทําไงฉันดัเชื่อเรียกว่าความโง่อือวิชชาคือความโงอ่อพวกก า, า, ม า, ม า, มามรมาลานค้าสัญหาไม่ใช่อวิชชาพวกนี้ก็เป็นเชื่อกันเกิดต่าหา มีเราตัดตรงนี้แหละตัดตรงที่เชื่อกันเกิดเนี่ออกมันจะไม่ได้เกิดเนี่ยตัดออกได้จริงๆพอตัดออกที่ท่านวาการมาราคะาการมาราคะเนี่บางคนพ่พอแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็วาดอันนี้แหละเป็นกรรมของสัตว์โลกส่วนนี้แหลเป็นกรรมมันไม่ใช่นะธรรมชาติของเขาต่างหาก กามของสัตว์โลกเราจะตัดออกจากหัวใจได้ก็คือความคำนึงถึงนั่นเองนั่นท่านเรียกว่ากรารของสัตว์โลกพวกราคาความกำหนูนี้มันธรรมชาติของสัตว์ไม่ใช่กามกามแท้แท้ก็คือความคำนึงถึงจึงเรียกว่ากามทีนี้เราปฏิบัติไปปฏิบัติมาเราปฏิบัติ เรื่องความคำนึงถึงเรวถอดใจของตัวเองออกจากตัวนี้ได้ได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงกว่าจะได้ก็อาการอยู่นนั้นละได้หลายอย่างกว่าจะได้ละปริโพธัสสองละบริโภกสองละมานะละอุชจะละกูกุจะนั่นแหละผู้ไดละตรงนั้นได้ใกล้กัน่ผพานเลย อีกไม่กี่วันก็ถึงได้อนจารจะบวชหรือไม่บวชไม่เป็นไรขอใจละได้เป็นได้เหมือนกันถึงได้เหมือนกอนบางอย่างเพราะแม่ครูบาอาจารเชื่ไปก็ไม่อยากเชื่อก็ไม่ไม่นำมาปฏิบัตินะ้วบางอย่างก็นํานำมาปฏิบัติของท่านอยู่คนยกให้ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่เนี่ย นี่เนี่แะมันมันมันขัดกันอยู่ตรงนี้แหะทีบันไดกับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอาเอาทรนี้มันเป็นกรรมราคะเป็นกิเลสตัณหาอยู่ในหัวใจของเรานี่ท่านว่านะอันที่จริงมันไม่ใช่ตัณหาไม่ก็เรื่องจังมันเป็นธรรมชาติอย่างตนตัวของเราเนี่ยเราพิจารณานะเราท่านเราเดินปัญญาของเราเดินตนตัวของเรานี่แหละรูปมันเป็นของเราไหม เบญธนามันเป็นของเราไหมสัญญาเป็นของเราไหมสังขารเป็นของเราไหมวิญญาณเป็นของเราไหมอันนี้อยู่จะกรวรรดิเล่าอยู่จากนั้นแบบนี้นะเราไปเล่ามาอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของเราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรามันจะรู้ของมันเองถ้าเป็นของเราเราคงบอกเขาได้รูปกายของเราอยาแก่งอมนะให้เป็นหนุ่มอยู่อย่างนี้ตลอดไปเมื่อครั้งพอจะได้ตามปัจนานะถ้ามันเป็นของเราอันนี้มันบอกเขาไม่ได้ ก็แสดงว่าเขาไม่ใช่ของเราคือเขาเป็นอนัตตาว่า ง, งั้นเถอะไปกันถึงโน้ น, นจนถึงเกศเกะสิทธิเป็นของเราไหมที่มันคิดโน้นคิดนี่คิดไปคิดมาอย่างนี้ที่ท่านว่าเกตเกสศสิทธินะ่ะมันจะเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราเอาไปมาแหละเกศเกศก็ไม่ใช่ของเราอีกนะ ที่ราบอกจิตของเราถ้าเป็นของเราเราก็คงจะบอกเขาได้ตามปรารถนาเหมือนกันจิตของเราจะาคิดอย่างนั้นอย่างนี้นะจงเป็นถุกทุกเมื่อเขาพอจะได้ตามปรารถนาและอันนี้เขาไม่ใช่เขาอยากคิดอะไรเขาก็คิดไปเขายากอยู่เขาก็อยู่เขายากไปเขาก็ไปใช่ไหมไมันเป็นอย่างนั้นจิตของเรามันใช่ของเราตัวของเราที่แ ท, ท้ก็คือใจตัวเดียวนั่นแหละใสแวว พอรู้เราก็รู้ไปเฉยๆถ้าไม่มีใครมาดั้นกับตัวจิตเกีติจิตเนี่ยไปดึงเน่าไปหาเสพสูตรกิเลสหรือสูตรนรกสวรรค์กับตัวนั้นเนี่ยตัวจิตเกียรติจิตมันก็ไม่ใช่ของเราเรารู้ไปใช่ของเราก็พี่นาอยห่วงนั่นแหละพิจารณาแล้วก็พงตุกไปพงตุกไปเมื่อจิตหลวงเดียวกันนั่นแหละรับทราบพิจารณาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นของตัวเองแล้วพอเขารับทราบเขาจะปล่อยวางเอง เขาจะปล่อยวางเขาเองเป็นเป็นไปตามอัตโนมัติของเขาเองถ้าเราปฏิบัติรมนะถ้าพิจารณาให้เขายังไม่ใช่พิจารณาบันหนึ่งบันเดีทาขั้งหนึ่งขั้งเดียวให้เขาปล่อยเขาไม่ปล่อยนะต้องพิจารณาอันานให้เขารับทราบใจใจอย่างหนึ่งนะเราจะนับเอาอะไรมาพิจารณาก็ได้มันจะกระจายไปหมดเตงตัวน่ะ มันก็เหมือนอย่างไอ้กับไอ้สามเัญน้อยมัดสันติกะพิจารณาเอาตั้งอันเดียวมาพิจารณาคืออัธิมินสร์ซังเยื่อในกระดูกอย่างเดียวนะพิจารณาอยู่นั่นพิจารณาอยู่นั่นพิจารณาไปแล้วก็ออกจากพิจารณาไปก็เอาอัธิกะสัญญาเป็นอารมณ์ mm hmm. ก็สามารถเห็นธรรมสูงได้ ที่ท่านว่าเห็นทำท่านสูงดได้เพราะเพราะเห็นโลกุตรธรรมที่พระพุทธเจ้าว่านั่นแหละเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือสูญนิพพานว่างแง่เด็กนี่ส้มมันเลียนน้อยมัดสันติกานะ่เอาอย่างจะมาทำํำพอมาทําแล้วมันกระจายไปหมดทั้งร่างกายของเราเพอมันมีธรรมมันทุกอย่างมันมีอยู่ในเราหมดเราจะเลือกเฟ้นเอาตรงไหนมาตอนนั้นเองกิเลสมันก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละ มันอยู่ที่ไหนหรอกอันนี้ญาติเขีก็อยู่ที่เราทุกมันอยู่ที่เราสมุใจอยู่เจอสมุใจซีสันบารียกว่ากิเลสเนี่ยมันมีอยู่ทุกหัวและแห่งตัวกิเลสเนี่ยก็มีมีใครล่ะที่มาจับจองมันนะมันก็ตัวกิเลสนั่นแหละตัวกิตเกเทสจิตเนี่ ย, เ, ยเป็นผู้จับไปปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาไม่ ว่าใครทั้งนั้นเป็นหมดทั้งโลกให้คิดว่ามันเสมอไปกันหมดนะพวกเรามไม่เฉพาสัตว์เต่ละสารไม่ว่ามนุษย์เราแหละให้พิจารณาให้มันดีๆทําเพราะมันมีอริยสัตว์เหมือนกันหมดสัตว์แต่ละสารเขาก็มีเหมือนกันพอาะเขามีรูปมีร่างกายแต่เขาไม่มีความคิดเหมือนมนุษย์เราตอนนี้เองเขาเกิดมามีแต่กินคือพวกเรามันปฏิบัติหลายอย่าง สัตว์ดเดรัจฉานสัตว์นกหนูปูเปี๊ยกเขาปฏิบัติกันเพียงสองกอ่อแต่พวกเรามันปฏิบัติกันสามกอ่อจะอย่างอัตมานี่มันทุกวันนี้มันปฏิบัติกอ่อเดียวแต่ถ้านกรมคงจะปฏิบัติสามกอนี่ยคงจะทราบไหมละ่ะสามกอ่อ ก็จะทราบได้ไหมคือเราปฏิบัติทุกวันนี้เราปฏิบัติทุกคนเราปฏิบัติสามก่ออยู่ทุกผู้ทุกนามกอกินกอกามกอเกียดมนุษย์เราปฏิบัติสามก่อคือกอกินกอกามกอกียดถ้ากินกอเกียดเนี่ยถ้ากินน้อย ก็ไม่สมเกียรติกลัวเกียรติจะหายก็เลยสั่งมาเยอะๆกินให้ยิ่งพอกินให้มากกินให้มันอยู่ดีนั่นเรียกว่าปฏิบัติคอเกียรติกินไปทังไหก็กลัวเสียเกียรติจะซื้อรถคันเล็กมานั่งหรือจะซื้อรถกโกโสมมานั่นก็กลัวเสียเกียรติก็เอาใหญ่ๆตัวๆมานั่นเรียกว่าปฏิบัติคอเกียรติอันนี้ก็คอกาม กินก็กินของบำบีบำรุงบำเดีกินไข่ต้มไข่ดาวตุ๋นช้าวมากวามีไข่ดวกไข่อะไรเพื่อกินเพื่ออะไรกินเพื่อบำรุงกามกันมานะ่ะถ้าเขามาบวชอย่างหลมปู่หลงตาเนี่ยเอาแต่กอดีกว่ากินอย่างเดียวกินเพื่ออะไรกินเพื่อยังชีวิตอยู่ไปวันๆเท่านั้นนะอันที่จริงร่างกายของพวกเรามันไม่ได้ ต้องการอาหารอะไรมากมายนะก็มีอะไรมันหิวหน่อยก็ยัดเข้ามันลงไปนะมันพอเจ็บท้องเรามันก็หายอยากนะไม่เป็นไรนะกินน้อยๆก็ไม่ตายอย่างน้องพ่อเนะนี่ยอย่งทุกวันนี้ก็ฉันมือเดียวอาจฉริะดเดียวด้วยพวกนมพวกเนยพวกอะไรก็ไม่เอาละเพราะให้มันประทังอยู่เป็นชีวิตไปวันๆเท่านั้น อืม hmm. พออยู่กับโลกเขาได้คือลมหายใจยังมีอยู่ก็เลยอยู่ไปอย่างนั้นเองกับโลกเขาไปไม่ต้องการอะไรให้มันมากกนอยู่กินหือว่านอนดูดวัดใหม่เมื่อคืนไม่รู้ว่าขนอะไรไม่เกิท้องขึ้นน้ําอะไรไม่รู้น้ําอะไรมาให้กิน คนผู้เรากินเอาไม่ไหวท้องมันไม่รับเพราะเคยผ่าฉันมันน้อยไม่พามันฉันมากนิดเดียวนะ่ะฉันบนทตอนช่วงปฏิบัติจะเอานิดเดียวเ่นันข้าบางครั้งก็เอาข้าวจะคำสองคำนันพวกเนื้อพวกไข่พวกอะไรก็ไม่เอาเป็น่นั้พวกแกงเขาจะน้ำ พวกเนื้อพวกอะไรก็ไม่เอาเองกินน้อยน้อยที่สุดปู่ปฏิบัติมูอซ้ำงั้นแนะมันเป็นอยู่อย่างนั้นฮนะอล้ป้าป้าตรงๆอย่างรุงพ่อเนะี่ยมันก็ไม่มีอะไรบ้างนะไม่ไม่เหมือนปริยัต น, นะจะพูดยาวก็ไปมันก็กำหมดเขตของมันนะพอถึง การสวัสด e ิ humans, ์มันก we ็หมดเกลียดกันเทศแน่กานปฏิบัติให้พากันปฏิบัติให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติอะไรเลยเราปฏิบัติเนี่ยการงานเราก็จะไม่ผิดพลาดทําอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดถ้ามันมีสติเอาตัวสตินั่นแหละมากํากับนะแต่ปฏิบัติอะไรทำงานอะไรก็เอาสติมากํากับเพราะมันมีอยู่ในอริยเศษศาสตร์แล้วสติก็ได้มาจากมรรคเนี่ยมันมาจากมรรคแล้ว เรามากำกับเราตั้งภาวน า, วากับพุทโธพุทโธกับเอาสติแนบไว้ถ้าจะปล่อยวางให้มันชินไปเลยก็ได้เหมือนกันหรือการเก็บปวดไม่มีถราาปล่อยวางได้ออย่างรังเทศเลยใจสัญญาสองประการที่พระอนุนไปเทศให้ คิดิมนวไปฟังให้ปล่อยวางคิริมั น, นก็ปล่อยวางไปตามเพราะคิดิมนวลอาพาธหน่กสัญญาณนี่เขาเคยรูปมาสัญญาอืก mm hmm. ับนามมาสัญญาสองอย่างปล่อยวางสองตัวนี้พอฝึกอภาระอนุนเทศไปก็คิดิมั น, นก็ปล่อยวางไปตามปล่อยวางไป ปล่อยวางไปได้สําเร็จอรหันความเก็บป่วยหายปิดไม่ไม่เป็นลงมาอีกถ้าฟังไปแล้วฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศไปแล้วมันเราสุขควรพอปล่อยได้ก็ปล่อยไปตามเทศก็ปล่อยก็ปล่อยได้เหมือนกันมันก็ปล่อยวางของมันเองแหละมันอยู่ธรรมดาธรรมชาติของเขาเขาก็ปล่อยวางของเขาเอง มันก็สัตว์ออกกันออกจากขาดออกได้เหมือนกันมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวการปฏิบัตินะมันอยู่ที่ใจพวกเราอย่างเดียวคือใจนั่นแหละเป็นใหญ่ในส่วนตัวของพวกเราทั้งหลายนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานในสภาวะที่ปฏิบัติรทำ ไม่เอาใจเข้าสู้ไม่เอาใจเขาแรกก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างมันมีใจอย่างเดียวที่จะสอดสอนได้ทุกอย่างก็ใจอย่างเดียวสอดสอนทุกอย่างก็อสอดสอนที่ใจเนี่ยไม่ได้สอดสอนที่เห็นนะคือผู้ที่จะไปพบหน้าก็คือใจเรานะั่นที่จะไปแต่ดวงใจจริงๆที่มันเขาเห็นเป็นรูปเป็นร่างมันนมีจานี้มันไปไม่ได้หรอก ที่จะไปสู่ภพหน้าคือมันจะสดใสทุกคนนะเท่ากับบ้านตัวเองเนี่ยใสงงงใสไม่มีที่เปี่ยนสดใสอย่างนั้นตัวนั้นแหละตัวจะไปนิพพานตัวจะไปนรกตัวจะไปสวรรค์ก็ตัวเจตัวเดียวนั่นแหละเราถอดถอนออกจากตัวนั้นได้แล้วก็สว่างหมดนั่นะ mm hmm. ตัวนั้นตัวเป็นตัวที่จะไปสู่สวรรค์นิพพานได้ตัวพวกนั้นมันเป็นธรรมชาติของเขาแล้วกยากเขาแค่ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเพรเขาคิดจิมันจะคิดตัว น, นั้นคิดตนี้ก็ให้เขาคิดไปคิดไปถึงเวลาเ พ, เพราะหน้าที่การงานของเขามาอย่างนั้นเราก็ไม่ไปนสนใจแหละเพราะหน้าที่การงานของเขาอย่างลูกของเราเนี่ยแข่งขาอะไรหูตาจมูกเขาหน้าที่ของเขา แต่ทุอย่างละอันเขาก็มีหน้าที่ของเขาเหมือนกันตาเขาก็มีหน้าที่ดูหูก็มีหน้าที่ฟังดั้งก็มีหน้าที่ดมเนั้นลิ้นก็มีหน้านี่ริมรสอืมใจมีแต่มีหน้าที่รับผลทัปะอืมมันโงก็มีห น, น้นาที่คู่กับทํามารับเอาอารมณ์นั่นเอง นแต่ละอย่างละอันถ้าพิจารณาดูแต่ละอย่างละอละันเขามีหน้าที่ของเขาไปทำนั้นเราก็ปล่อยเขาไปแต่เพียงใจของเราอย่าไปสนใจขเขาแล้วเอาเราเอาใจของเราเนี่ยให้อยู่พอถ้าใจของเราอยู่้องใจของเราดีแล้วถึงได้ด้วยกันทั้งนั้นสวรรนี้ผ่านไม่ตงไปไห บางคนบางองค์บางรูกครูบาอาจารย์พระแม่ครูปีศานนั้นก็ฟาดันอันนั้นจะถอดถอนอันนี้ได้อันนี้จะถอดถอนอนนันได้มันไม่มีถอดถอนเราจะทำลาของใจตัวเองนหละถ้าอยากจะไปนิพพานจริงๆก็ใหทําใจอีกอย่างหนึ่งฮะให้อย่าง พ, พระพุทธเจ้าสอนได้เทศให้อีนั่นฟังเนี่ย โยมได้ยินการศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเทศเก่งคุณตามไปตรีภะาสกบวชในศาสนาอื่นมามาขอฟังเทศพระเจ้าพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตอยู่พระพุทธเจ้า ว, ออ า, าว่าวมนันเวลานี้ไม่ใช่เวลาเทศขอได้บวชถวพระองค์เนี่ยมานุเวลาของก็ผมมีน้อยทั้งของพระองค์ด้วยวะนะ่างั้